เดี๋ยวขออนุญาตตั้งชื่อเรื่องท้าทายเรื่องก็ละกันนะคุณเพลิงนะผมได้ไปเที่ยวที่บ้านย่าที่ชนบุรีอยู่ที่สั ต, ตหีบบ้านย่าเป็นบ้านยกพื้นสูงเป็นบ้านไม้ครับอยู่ในป่าแสมติดริมคลองแล้วก็ข้างบ้านย่าเนี้ยก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของย่าห่างๆเป็นบ้านยกพื้นเหมือนกันหลังบ้านเขาจะมีต้นแสมต้นใหญ่ใหญ่มาก